การประชุมวันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับพระเนน เ, เข้าเข้าออกออกอยู่เสมอมักจวนมากพามีแต่ ม, มาใหม่เข้ามาที่ออกไปก็ใหม่ออกไปแน้วพระเนนก็มากอยู่ตลอดความมีพระเนนมาก การบําเพ็ญและที่อยู่ก็ย่อมไม่ค่อยสะดวกเป็นธรรมดาในอย่างทุกวันนี้ยิ่งหาสถานที่ที่เหมาะสมในการบําเพ็ญสมณธรรมจริงๆดังครั้งพุทธการท่านพาบําเพ็ญมานั้นรู้สึกจะหายากมากเข้าไปทุกวันทุกวัน ป่าเขาลำนาไพรที่เคยมีมาดั้งเดิมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมที่จะปฏิบัติเพื่อมรักเพื่อผลก็ย่อมลำบากในการส่แสวงหาที่ดังกล่าวนี้ <c oughs> เพราะสถานที่ที่พระพุทธเจ้า ทรงสแสดงกับภิกษุบริษัทด้วยมาไม่ได้ขาดเลยจนกระทั่งเป็นตำหับตำรามาถึงตัวนี้ก็คือป่าคือเขาลำนาไพรตามถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่ารกชัดลุกขมูลล้มไม้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญมากจะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ก็ไม่น่าจะผิดหรือการประพฤติปฏิบัติบาเพ็ญธรรมเป็นไปได้วยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ไม่มีสิ่งใดผู้ใดเข้าไปรบกวนมีแต่ผู้บำเพ็ญทำหน้าที่ของตนอยู่โดยสม่ำเสมอจึงเป็นความสะดวก ในการบำเพนอยู่มากเนที่ดังกล่าวนี้ก็ค่อยหมดไปสิ้นไปนอกจากนั้นความรู้สึกของผู้บำเพนก็ค่อยสึกล้อไปเรื่อยๆค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงสุดท้ายก็โยน เข้าไปไว้ในตำรับตำราเสียชื่อสมาชื่อศีลก็อยู่ในตำราโ น, น่ชื่อสมาธิคือความสงบเย็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงหวังอย่างยิ่งก็โยนให้ตำราเสียไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นใดปัญญาขั้นใดก็โยนเข้าไปให้ตำราเสีย ตลอดนักผลนิพานขึ้นที่ว่าความดีทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบำเพ็ญก็ไล่หรือต้อนเข้าไปรวมอยู่ในตำหนับตำลาเสียทิงที่ทรงไว้ในหัวใจของชาวพุทธเราเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติที่ควรจะสนใจในธรรมทั้งหลายเหล่านี้กลับ เห็นไม่สำคัญนี่นี่แหละมันลืมอย่างนี้พอเทศไปมันก็ไม่ต่อกันเลยมีแต่ชื่ออัดชื่อทรรมเต็มหัวใจชื่อชีเลตความชั่วช้าละโมกทั้งหลายก็ เต็มหัวใจพร้อมกับการใฝ่ใจในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี้ด้วยส่วนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั้นค่อยจางไปจางไปในหัวใจของชาวพุทธและนักบวชนักปฏิบัติของเรานั่นแหละนี่ความเหินห่างจากความดีทั้งหลาย ที่เป็นแบบเป็นฉบับสำหรับการดำเนินเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยและสงบดมเย็นเหล่นี้ค่อยหมดไปหมดไปจางไปจางไปไม่จะไม่มีในหัวใจไม่มีในการควนขวายแต่พลิกไปมีเสียทางหนึ่งซึ่ ง, งไม่ใช่ทางอัตธรรมที่ยอมรับกัน ความทุกข์จึงมีมากเพราะความห่างเหินของใจจากทรรมไปโดยลำดับลำดานั่นแหละเฉพาะผู้ปฏิบัติเราก็มีลักษณะดังที่กล่าวมานี้โดยลำดับลำดาค่อยห่างไปห่างไปในหลักศาสนธรรมและการบำเพ็ญของพระในครั้งพุทธกาลท่าน คือการบําเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อมรกเพื่อผลเป็นรากฐานของใจจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของาศาสนาจริงๆเราจะเห็นได้จากผู้มีความเชื่อความล่มใสออกมาจากสกุลต่างๆนับแต่สกุลพระราชามหากษัตย์ลงมาถึงพ่อค้าประชาชนคนธรรมดา ท่านผู้ใดออกมามีแต่ผู้ขวัญขวายเพื่ออรรัดเพื่อทมอยู่ยังไงก็ขอให้ได้อยู่เถอะถ้าเป็นสิ่งที่จะบำเพ็ญได้ด้วยความสะดวกเพื่ออัดเพื่อทมทั้งหลายแล้วเป็นอยู่ทั้งนั้นการโขกกันฉันปัจจัยทั้งสีท่านไม่ถือเป็นอารมณ์สำคัญใดๆเลยยิ่งกว่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ที่ท่านมุ่งไว้แล้วอย่างเต็มใจ นี่ท่านดำเนินไปด้วยความอุตส่าหพยายามดังที่กล่าวมานี้โปรงใดอยู่สถานที่ใดส่วนมากมีแต่สถานที่ดังที่กล่าวมาสักคู่นี้ในป่าในเขาที่เล่นแค้นกันดานในปัจจัยทั้งหลายแต่เป็นที่สะดวก และสมบูรณ์ทางด้านการบำเพ็ญเพื่อมรักเพื่อผลทั้งหลายท่านจึงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลด้วยวิธีการเหล่านี้เป็นจํานวนมากต่อมากในครั้งพุทธกาลฉะั้นนานมานานป่าก็ค่อยจีดค่อยจางไปโดยลําดับลําดาเ น, นี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมขอให้ท่านทั้งหลายได้จดจํเอาไว้ย้อนเข้ามาสู่ตัวของเรา มันจเจริญไปโดยลำดับหรือเสื่อมลงโดยลำดับคำว่าศาสนาคือธรรมนั่นเองพูดง่ายๆความดีงามทั้งหลายค่อยเสื่อมลงจากจิตใจโดยลำดับลำดาหรือไม่สิ่งไม่ดีทั้งหลายนับบางคือกานเข้ามาเรื่อยๆหรือไม่อันนี้เราก็ไม่อยากถามอยากจะถาม เพราะเป็นสิ่งที่เด่นชัดในหัวใจของนักบวชเราด้วยกันทั้งๆที่ตั้งหน้าต่างๆมาชําระแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในหัวใจของเราแยียบย่ทำทําลายธทำของเราสติธรรมปัญญาธรรมมิริยะธรรมอุสาหธรรมไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่เราก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติบําเพ็ญอยู่นั่นแหละเนี่ยศา ส, สนาเสื่อม เตื่มยุนทุกียาบททุกียาความเคลื่อนไหวของใจเราที่ไม่มีสติกำลังของธรรมทั้งหลายทันมั น, นเหนเอกไม่เคยมีความอ่อนข้อย่อหย่อนต่อการทำลายหรือลบล้างธรรมทั้งหลายจะเป็นภายนอกก็าตามภายในก็าตาม เฉพาะในหัวใจของเหล่านี้เป็นสำคัญถูกลบล้างอยู่ตลอดเวลาการเจริญจิตใจแม่ที่สุดเพียงความสงบเท่านั้นก็เป็นไปได้ยากก็เพราะเหตุนี้เองกำลังกลังแห่งสติกำลังแห่งการรักษาใจของเราเพื่อรักษาจิตไม่ให้ส่ายแสไปในอารมณ์ของสิ่งต่ำทามทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีกำลัง มันก็ข้ามเราไปต่อหน้าต่อตานี่เองทั้งๆ ท, ที่เราก็พยายามตั้งสติปินิพิจณาด้วยปัญญาอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่มันมีกำลังกล้ากว่าเรามันมีอยู่แล้วมันก็เดินข้ามหัวเราไปอย่างสะดวกสบายเราเองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ถูกกลียดเดินข้ามหัวไปเหยียบหัวไป ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของตนเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็คือความไม่มีสตินั่นแหละเป็นสำคัญจึงทำให้วิตกวิจารเสมอเกี่ยวกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเราเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พาบําเพ็ญให้ถูกต้องดีงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวิธีการบําเพ็ญก็ ค่อยล่วงรับไปล่วงรับไปผู้ทรงมากทรงผลท่านฝ่ายเหตุคือการบําเพนมาอย่างไรและผลปรากฏอย่างไรได้แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังอย่างองอาจกล้าหาญไม่มีผิดเยี้ยนก็ล่วงไปล่วงไปนี่อันสำคัญมากสิ่งที่ใกล้ชิดติดพันกับเราก็คือกิเลุมันติดมันพันอยู่ตลอดเวลา มันจึงไม่ทันกับสิ่งเหล่านี้ความสงบของใจที่จะเกิดขึ้ น, นด้วยการบำเพ็ญสมถะธรรมนั้นก็เกิดไม่ได้เนี่ยอย่างนักบวชเราบำเพ็ญธรรมอยู่ด้วยมาดังที่เป็นอยู่นี้ไม่ปรากฏความสงบใจภายในตัวเองเลยจากการปฏิบัตินี้รู้สึกว่าจะพูดอะไรก็พูดลำบาก เราหมด ค, คุณค่าขนาดไหนอยากว่าอย่างนั้นคุณค่าขอางความเพลียนของเราไม่มีเลยคุณค่าขอางความแห่งการรมัดระวังแห่งความอุตสาห์พยายามแห่งการต่อสู้ของเราเพื่อยับยัง้งจิตใจของเราจากอารมณ์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความสงบไม่มีไม่ได้รับความสงบภายในใจเลยเป็นยังไงนักบวชเรา เป็นโมฆะมากขนาดไหนเนี่ยโมฆะภิกษุปัติบาตทำแต่ไม่ได้สงฆ์ทำแม้ยังความสงบก็ไม่ได้สงไม่ได้สัมผัสสัมผัน์ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ดูดได้ดื่มบ้างเลยนี่เป็นยังไงนี่น่าสะดุดสังเวชอยู่มากนะท่านตั้งหลายผู้ปฏิบัติทำกับผู้ด้วยเจ้านิตรีตะั่ำเข้าไปสู่ความสงบเป็นอย่างน้อยสาหรับผู้บําเพ็ญคือนักบวชเรา เพราะตามธรรมดาของจิตมีความวุ่นวายสายแสยูเป็นประจำเป็นพื้นเป็นนิสัยของตัวเองเพราะกิเลส ต, ตังจมอยู่ภายในนั้นและทําตีตะล่อมเข้าไปเพื่อความสงบด้วยการบําเพ็ญสมถธรรมมันไม่มีกําลังพอหรือไม่มีความเพียรที่จะบังคับจิตใจของตนให้อยู่ด้วยการรักษาของตน เพื่อความสงบของใจนี่ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นทําอย่างไรแต่ท่าได้รับความสงบแล้วย่อมจะเป็นพื้นฐานอันสําคัญที่จะให้ก้าวในความเพียรและกําลังวังชาทั้งหลายไม่ว่าทางด้านความเพียรด้านใดการระมัดระวังรักษาก็เข้มงวดขวดขันมากขึ้นความอุตสาห์พยายามก็หนักแน่นขึ้นความเพียรก็สืบต่อกั้นไปโดยลำดับเพราะ สมถะคือความสงบใจมีรสชาติพอที่จะดึงดูดบรรดาความเพียนทั้งหลายเหล่านี้เข้าสู่จุดรวมเป็นกําลังอันเดียวกันแล้วหนุนจิตใจให้มีความสงบเย็นยิ่งกว่านี้ขึ้นไปโดยลำดับถ้าความสงบใจมีต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยเราจะเอาความอุตสาห์พยายามมาจากไหนเพราะผลไม่ปรากฏ พอเป็นรสเป็นชาติให้ติดใจบ้างเลยเพราะทำอะไรต้องมีรสมชาติติดใจพอที่คะดูดดื่มสืบสาวราวเรื่องไปตามรสตามชาตันนั้นให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเพลินไปไเรื่อยๆนะถ้ามีรสชาติต้องทำให้เพลินต้องทำให้มีแก่ใจอันนี้รสชาติแห่งความสงบเป็นความสุขอันหนึ่งที่ละเอียดตามภูมิของตน ซึ่งพอที่จะให้เป็นรสชาติดึงดูดความภาคเพยียรทั้งหลายของเราให้เข้าสู่สุดรวมแล้วเป็นพลังขึ้นมาเพื่อบำเพ็ญจิตใจนใี้ซึ่งมีความสงบอยู่แล้วให้มีความสงบยิ่งขึ้นไปนี่เราชักจะแน่ใจว่าไม่มีทำไมเพียงความสงบเท่านี้ให้มีไม่ได้มันเป็นอย่างไรนักปฏิบัติของเราแท้ ที่ทําให้ท้อใจในการแนะนําสั่งสอนผู้เพื่อนผลเบื้องต้นที่จะก้าวเข้าสู่ทำที่ยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นตั้งไม่ได้มีแต่ล้มเหลวล้มเหลวพื้นฐานเบื้องต้นคือความสงบใจล้มเหลวไปแล้วเราจะอะไรไปตั้งหลักตั้งฐานให้มีความเฉลียวฉลาดแล้มผมแก้กิเลสไปเรื่อยลำดับจนถึงมุดดูท้นได้ละ่ะนี่สําคัญ ข้อหลักฐานเพียงท่วนี้ก็ตั้งมาได้การตั้งหลากฐานเพื่อความสงบใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้ก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงกว่านี้มีความสงบละเอียดจากนั้นกระแสของจิตที่มีความอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายเพราะจิตสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบย่อมอิ่มตัวอยู่ตามภูมิของตนแล้วพาก้าเดินทางด้านปัญญาพินิพิจารณาในสภาวธรรมทั้งหลาย ซึ่งควรจะรู้ให้รู้เป็นลำดับลำดาไปนี่นี่เรื่องของสมาธิมีความสำคัญอย่างนั้นถ้าไม่มีเลยแต่เราจะหวังเอามรรคผลนิพพานด้วยปัญญาที่เราขาดเราคิดเฉยเฉยปัญญาอนั้นมันไม่ได้เหมือนปัญญาของสมาธิที่เป็นเครื่องหนูนมันเป็นปัญญาสัญญาอารมณ์ไปได้อย่างรวดเร็วเราไม่อยากจะว่าช้าเลยนะ พิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวก็เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอารมณ์ไปกลายเป็นเรื่องสัญญาไปหมดปัญญาไม่ทราบหายหน้าไปไหนนี่ปัญญาของผู้ที่คิดโดยที่ไม่มีสมาธิเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหนุนจิตใจให้อิ่มตัวก่อนแล้วพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นไปอย่างนั้นแหละถ้ามีความสงบ เย็นใจเป็นความอิ่มในอารมณ์ของใจได้แก่ความสงบนี้ไม่ยุ่งกับอารมณ์ภายนอกที่จะมากวนใจและก้าวเดินทางด้านปัญญาแม้จะยังยังไม่เห็นผลของด้านปัญญามาเลยก็ตามแต่อาศัยการบังคับบัญชาของกิจที่ของสติที่เป็นหัวหน้างานอย่างนั้นให้ทำหน้าที่คลี่คลายดูสภาวะตททั้งหล เมื่อพิจนารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนย่อมจะมียิบยิบยับแยบขึ้นมาในเรื่องความจริงอันเกิดจากทางด้านปัญญาและจะได้เห็นเหตุเห็นผลไปกัน ไ, ไ, ไปโดยลำดับต่อเมื่อปัญญาได้ขี้คาและเห็นเหตุเห็นผลของตนขึ้นไปโดยลําดับแล้วก็จะมีแก่ใจและก้าวเดินไปเรื่อยๆจนถึงขั้นคล่องตัวพอใจในการพิจารณา อย่างท่านสอนว่าพิจนาอสุภาอย่างนี้เป็นต้นอสุภาก็เพลินเพลินนะทั้งอสุภาโดยธรรมพิจนาหลายครั้งหลายหนก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าสะดุดสังเวชเช่นในร่างกายของเราเนี่ยเที่ยงหนังบางๆหุ้มหมอไม่ได้หนาเท่าใบลานเลยท่านั้นเราก็หลงเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้นี่เราก็ติด เมื่อปัญญาได้ลี่คลายเข้าไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วหลายครั้งหลายหนทําไมจะไม่เห็นทําไมจะไม่เจอเพราะสิ่งเหล่านี้ท้าทายปัญญาอยู่แล้วโดยความมีอยู่ของตนของตนไม่ว่าจะเป็นอาการใดท้าทายเป็นเป็นความจริงที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาเอาสติจ่อลงไปปัญญาจ่อลงไปทําไมจะไม่รู้ทําไมจะไม่เห็นเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของปลอมเป็นของจริงแท้แท แล้วประกาศกัางวนนานอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเราแล้จิตก็อยู่ในร่างนี้ด้วยปัญญาที่จะคิดเพื่อความฉลาดก็อยู่ในใจนี้ด้วยสิ่งที่จะทําให้ฉลาดสิ่งที่จะเป็นหินรับปัญญาก็คือสกุลกายทั้งหลายมีอสุภะอสุพังเป็นต้ น, นก็มีอยู่ในกายนี้ทั้งหมดเราไม่อยากพูดว่ายกเว้นในส่วนใดของร่างกายนี้ใช้ที่จะไม่เป็นอสุภะอสุพัง ทุกขังนิจจังนาตามันเต็มไปหมดเดียวปัญญาก็พร้อมพิจารณาเพื่อรู้เพื่อเห็นด้วยแล้วสมาธิคือความสงบใจก็หล่อเลี้ยงปัญจิตใจให้มีความอิมอ่มตัวอิ่มตัวไม่หิวหวยกับอารมณ์ภายนอกซึ่งนอกไปจากวงพิจารณาพิจารณาของตนมีแต่ทาหน้าที่ของตนอยู่ ภายในร่างกายนี้โดยทางอสุภะอสุพังเป็นพื้นฐานก่อนซึ่งเป็นธรรมสำคัญมากกว่าสิ่งใดส่วนมากนักปฏิบัติท่านจะดาเนินทางนี้มากกว่าอย่างองื่นแล้วเมื่อเวลาได้รู้ได้เห็นเข้าไปแล้จะเกิดความเพลิดความเพลินในความรู้ความเห็นอนั้นเพลิดเพลินอันนี้ไม่ได้ เ, ดเพิดเพลินเหมือนกิเลสพาเพลิดพาเพลินแต่เป็นธรรมพาเพลิดพาเพลิน เห็นไปเท่าไรรู้ไปเท่าไหร่ยิ่งมีความสลาดสังเวชมากไปมากไปสลาดสังเวชมากเท่าไรจิตใจยิ่งเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหะคือความเริ่มถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปในขณะที่รู้ที่เห็นนั่นแหละนีะ่เมื่อพิจารณาถึงขั้นที่ควรจะเพลินทําไมจะไม่เพลินวิเรียกทาเพลินมันมันก็ มีรถมีชาติที่ควรจะให้ติดได้จึงได้เผินจึงได้ติดคนเราใครจะอยากไปติดทำท่านประกาศตั้งๆอยู่แล้วว่ากิเลสเป็นเครื่องล่อรวงให้ตกหลุมตกบ่อ น, นั้นมันก็ยังเป็นไปตามกิเลสเพราะความเชื่อนั้นจนได้เฮ้เมื่อทำท่านก็ยิ่งประกาศความจริงไม่ใช่ความจอมปลอมเหมือนกิเลสด้วยแล้ว เมื่อเจอเข้าไปเห็นเข้าไปหลายครั้งหลายหนเพราะการพิพจารณาทําไมจะไม่เพลินเพลินไม่สงสัยพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละในความรู้สึกทั้งทั้งที่เราพิจารณาร่างกายของของเรานี่แหละแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเวลานั้นไม่ทราบ่ากายไปอยู่ที่ไหนทั้งทั้งที่เราก็จับร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในะร่างกายนี้เป็นที่ท่องเที่ยวแห่ง สติปัญญาของเราตลกทบทวนอยู่ภายในนี้นั่นแหละมันเทินอยู่กับสิ่งที่เรารู้เราเห็นภายในร่างกายนี้ความหมายสาคัญความหมายความสาคัญดั้งเดิมที่เรารู้สึกกายของเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาและเจือกับสมุทยัยโดยความยึนมั่นถือมั่นด้วยเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปข้างในจึงลืมเนื้อดื่มตัวภายนอกที่เคยเป็นมานี้ทั้งหมด ป้าหนึ่งว่าร่างกายไม่มีเพราะไม่รู้สึกเจ็บสึกปวดแสบร้อนอะไรมีแต่เพลินกับอาการนั้นอาการนี้ดูอาการใดก็มีตั้งแต่สิ่งที่ทำให้เกิดสรดสังเวชดูไปข้างบนก็านกาะ ก, ก็เหมือนข้างล่างข้างล่างเหมือนข้างบนด้านไหนเหมือนกันเหมือนกันไปที่ไหนมีแต่ความสรดสังเวชรับเป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าให้ฉลาดทีเดียวฉลาดคล่องตัวเข้าไปโดยรดับระดับมันก็เพลินนี่แหละการปฏิบัติ เมื่อถึงขั้นเพลินแล้วเพลินได้ทางด้านปัญญาเช่นเดียวกับทางสมาธิเพลินอยู่นั้นเพราะเป็นความสุขที่จะให้ความสะดวกตายใจได้ในเวลานั้นซึ่งยังไม่มีธรรมะที่สูงกว่านั้นก็ติดได้เพลินได้นั่งจี๋ชั่วโมงก็เพลินอยู่นั้นไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนนี่พอก้าวเข้าสู่ปัญญาพิจารณาร่างกายส่วนมากก็หมายถึงร่างกายของเราร้อความจริงเป็นอย่างนั้น แม้จตหนังว่ามาเป็นสิ่งที่เราพอดูได้มันก็มีความสกรปรกอยู่ในตัวของมันแต่เป็นความละเอียดมองเห็นได้ยากกว่าอาการทั้งหลายภายในเท่านั้นเองนี่ก็พิจณาเข้าไปแล้วสิ่งต่านี้เป็นความจริงทั้งหมดเมื่อเห็นรู้เข้าไปโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่เพลินต้องเพลินเพราะรู้ตรงไหน อุปทานความยึดมั่นถือมั่นจะค่อยเบาลงเบาลงพราะรู้เพื่อละเพื่อถอนต้องรู้เพื่อเบาไปซะก่อนเมื่อรู้มากน้อยก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเบาลงไปเบาลงไปในความยึดมั่นถือมั่นจนกระทั่งรู้ตลอดอถึงพอแล้วเท่านั้นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็ขาดสะบั้นไปไม่ต้องสงสัยไม่ทำให้สงสัยอะไรเลยทั้งนั้นนี่การพิจารณาทางด้านปัญญา้ามีสมาธิคือความสงบใจพอเป็นบาตเป็นฐาน เป็นปากเป็นทางบ้างแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาแม้จะบังคับก็บงับงคับในฐานะที่ปัญญายังไม่เข้าใจในผลของตนเพราะยังไม่เกิดเพราะยังไม่เคยพิจารณาก็มีการบังคับเท่านั้นไม่ได้บังคับให้จากอารมณ์นั้นจากอารมณ์นี้ที่จิตอยุ่งวุ่นวายเพราะความหิหวโหยในอารมณ์นั้นๆเหมือนจิตที่เป็นธรมธรมดาธรรมดานี่ เมื่อมีความสงบแล้วเราพิจารณาทางด้านปัญญานี่คือความจริงเป็นได้อย่างนี้เป็นได้อย่างนี้ไม่สงสัยเมื่อได้เริ่มก้าวเข้าสู่ความเห็นเช่นนี้แล้วจะก้าวเข้าสู่ความละเอียดและคล้องตัวเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจากนี้พิจารณาออกภายนอกจะเป็นรูปใดนามใดสัตว์ใดบุคคลใดก็ตามหญิงใดช า, ดายใดก็ตามมันจะกระจายไปหมดด้วยความจริงอันนี้แหละเป็น กราบสาคัญไปเที่ยวตีกลาไว้หมดว่าเป็นความจริงเช่นเดียวกันนี้นั่นนี่แหละปัญญาเมื่อได้เริ่มทราบเริ่มรู้อย่างนี้แล้วนั่นหลักที่นี่ความเพียรจะเริ่มหากเป็นขึ้นในตัวนั่นแหละไม่ต้องพูดแบบความอุตสาห์พยายามคือความเพลินในการพิจารณาเพื่อทําขั้นสูงเพื่อทําขั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้และเพื่อความปวดเพื้งองเสียงวันนี้มีอยู่ในใจนั่นโดยลําดับดายอยู่แล้ว ตั้งแต่เรายังไม่รู้เราก็อยากปลดอยากเบื้องอยากถอดอยากถอนมิแล้วเมื่อรู้แล้วฉะนั้นทําไมจะไปนอนใจได้ไม่นอนเพรายิ่งเพิดยิ่งเผินเรื่อยๆนั่นแนละที่นี่เริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะทงมมตทสงผลเริ่มรู้เริ่มเห็นช่องทางที่จะก้าวเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไปโดยลาดับลาดาผูประกอบความเพียรถึงขั้นนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอยู่ในตัวนั่นแหละนี่เราพูดเพียงขั้นปัญญาขั้นเริ่มรู้เริ่มเห็นนี้เพียงเท่านั้นก็พอที่จะย้อนเข้ามาสู่สมถะจิตของเราบอกควรทำจิตใจให้มีความสงบได้นั่นแหละสมกับเราเป็นนักปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเราทุ่มเทไปทางไหน มันถึงใจของเราที่มุ่งว่าให้สงบสงบมันจึงสงบไม่ได้ความสงบนี้สงบเพราะเหตุผล ก, กลไกอะไรนอกจากการรักษาจิตด้วยสติจะเป็นธรรมบทใดก็าตามผู้เริ่มต้นคือบริกรรมภาวนานำคาบริกรรมภาวนาเข้ามากากับใจของเรารักษากันไว้อย่างเข้มงวดขวดขัน อารมณ์ทั้งหลายที่เคยคิดเคยตุงให้จิตสายแสเรื่อยร่อนวุ่นวายกลายเป็นฟืนไฟมานั้นเป็นมามากต่อมากนานแสนนานประจําวันประจําวันประจําความคิดของเรามากน้อยขนาดใดแล้วและได้รับความมิเสศษพิสูจอะไรพอที่จะประวัติพวนกับมันอนั่งหนาถึงกับต้องปล่อยงานอันนี้ไปตามมันเป็นบ้าไปกับมันมีอย่างหรือนักปฏิบัติของเรานี่จึงทําให้เป็นเหมือนว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีในโลกอันนี้ในหัวใจของเรา ถึงมีก็ไม่สนใจยิ่งกว่างานของเราที่กําลังทําอยู่นี้นี่แหละที่เป็นปากเป็นทางที่จะให้จิตใจได้รับความสงบ ต, ต้องเอาจริงเอาจังหนาะจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษหนาะหนายนักโทษคืออะไรคือกิเลสมันเป็นนาใหญ่โตมากทีเดียวบังคับบัญชาฉุดไปนู้นถุดไปนี้อยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่ทันมันละเอียดกว่าสติปัญญาของเราที่จะมองทันในขั้นเริ่มแรก เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพยายามเอาอย่างมากมายทีเดียวตั้งหน้าตั้งตาทาแล้วอุบายวิธีการที่จะช่วย จ, จิตใจของเราให้สงบนี้มีวิถี ม, มีวิธีใดบ้างเอาค้นมาดังที่เคยพูดแล้วส่วนมา ก, กจิตไม่สงบก็เพราะเรื่องที่เรียกตัณหามันชอบออกหน้าออกตานะขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ในขอน้อนี้พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความเป็นจริงของจิตทุกดวงทุกดวงแม้จะไม่ใครจะไม่นํามาพูดก็ตามความเป็นมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้เราพูดเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนเราต้องนําสิ่งอันนี้มาพูดมาแจง้งให้ได้เข้าใจกันเพื่อรู้วิธีปฏิบัติรักษาและแก้ไขถอดถอนกันให้ได้ผลเป็นไปโดยลําดับตําดาถ้าไม่นํามาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้วิธีแล้วเรื่องที่มันทําจิตของเรามันสงบยากใจมันมีกําลังมากก็กายมันมีกําลังมากทำหมูนจิตใจให้คิดมากแล้วคิดมากก็ไปคิดมากเรื่องของกิเลสนั่นเอง เพราะายเป็นเครื่องหนุนที่เด็ดอยู่แล้วนี่แท้จ ร, จริงต้องได้ใช้ความพินิทพิจารณาเอามากมายกายกองสําหรับผู้ปฏิบัติเหานไหมอดนอนก็คือจะทอนกําลังของร่างกายนี่หลงคนเราเมื่อเคยนอนนอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมมีกําลังทางร่างกายนอนน้อยกําลังทางร่างกายย่อมลดลงอดนอนก็ยิ่งเป็นการลดลงลงเพื่อความเพียรจะได้ก้าวเดินนั่นความหมายท่านว่าอย่างนั้นเดินมากก็เหมือนกัน เป็นการตัดทอนกำลังทางร่างกายนี้ลงด้วยเพื่อสติของเราจะได้ก้าวเดินสืบต่อกันด้วยนั่นเป็นอย่างพ่อนอาหารอดอาหารก็เคยได้พูดแล้วอันนี้สำคัญมากอันนี้เป็นเครื่องเสริมได้เต็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนภายในร่างกายวัยของเราเราเราท่านท่านนี้จึงต้องได้ใช้ความพยายามการผอนการอดนี้สาคัญมากที่จะตั้งสติให้ได้ แล้วเห็นได้ชัดซะด้วยนะะตั้งสติได้หลังจากการอดอาหารการผ่อนอาหารไปไม่กี่วันแหละแม้แต่ในวันนั้นก็จะเริ่มแล้วอืมสติค่อยมีนั่นฟังเนี่ยค่อยมีทอนลงไปมีนะทนนลงไปโดยลําดับลำดากําลังอ่อนลงไปสติดีขึ้นดีขึ้นไม่ค่อยมีอะไรมาตกมาต่อยให้หลุดไม้หลุดมือไปเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งพอ ตั้งหน้าตั้งตาเมื่อพอตั้งสติขึ้นมาเท่านั้นขาดไปแล้วถูกกิเลสมันตีมันตกมันต่อยลุดไม้ดุกมือไปแล้วลุดมือไปแล้วอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงกว่าทีนี้เวลาเราเราผ่อนเข้าไปอดเข้าไปนี่หมายถึงวิธีการส่วนมากถูกเราอยากจะพูดว่าถูกวิธีการอันนี้นในวัยของเราเราท่านๆนี่ถูกด้วยวิธีการนี้มากกว่าวิธีการอื่น เวลาเราเราผ่อนลงไปมากอดลงไปมากเอาความหิวความโหยมันเป็นธรรมดาก็มันเคยกินจะไม่มันหิวได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันก็ต้องหิวแต่ที่นี้ผลภ า, ายในเป็นยังไงเอามาเทียบกันความหิวกับผลภ า, ายในนั้นอะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันเรามุ่งต่อผลภ า, ายในนั้นเป็นสําคัญยิ่งกว่าความหิวความโหยอันนี้อันนี้เราฉันเมื่อไหร่ก็ได้ระงับทันทีเนี่ยแต่อันนั้นตั้งระยากนะสะติดีใจย่อมสงบเนี่ย ถ้าสติไม่ดีใจหาความสงบไม่ได้เมื่อใจสงบแล้วสบายไม่มีอะไรกวนใจความรู้ของเราจะเริ่มเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเห็นได้ชัดว่า น, นี้คือจุดแห่งผู้รู้เด่นแล้วที่นี่นานนี่แหละคือผู้รู้นั่นคือร่างกายเริ่มรู้แล้วทั้งส่วนร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาเรื่องใดพอกระเพื่มภาพจิตสติจะรู้ทันจะรู้ทันเมื่อ เราฝึกไปมากทรมานไปมากย่ำร่รวงเร็วถึงขนาดที่ว่าทั้งวันไม่เผอเลยนั่นแต่ในระยะนั้นนะระยะที่เราฝึกเร า, เาทรมานในเรื่องการอดอาหารนี่นั้นทั้งวันไม่เผอเลยนั่นเมื่อไม่เผอเลยเป็นยังไงจิตที่นี่จิต ก, ก็สบายทั้งวัน่ะจิตไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรเลยเอาที่นี่ให้เข้าสู่สมาธิก่อนแนวนั่นแต่เวลาเรามาฉันแล้วมันก็มียิ่งยยื้มีของมันเป็นเรื่อง ของกิเลสไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฉันการผ่อนการอดเพื่อสลับกันไปให้สติกําลังของเรามีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโ ด, ดำดับจากนั้นก็พอฟัดพอเบี่ยงกันไปนี่วิธีการของการฝึกการทารามานนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ทราบในฐานะที่ว่าได้เคยดําเนินมาก่อนแล้วและได้ดําเนินมาอย่างนั้นจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยได้เคยพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วมีผลประจักษ์ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการลดกันละ แต่เริ่มออกปฏิบัติเราทําวิธีนี้ดูเห็นเป็นผลแล้วก็เริ่มเลยอย่างอื่นมันไม่ทันไม่ไม่ทันกับกิเลสประเภทหยาบหยาบโลนโลนเหมือนวิธีการอันนี้แล้วสุดท้ายมันก็ต้องหมุนกันไปจะเป็นจิตละเอียดขนาดไหนก็ความรวดเร็วของใจความรีบความวด่วนของใจที่จะสังหารจิเลสให้หม้วนเสือลงในขณะนั้นขณะนั้นมันมีประจําหัวใจไม่อยากจะให้มันมีค ว, ความยืดความยาวต่อสายยาวเหยียดไป เป็นภพเป็นชาติไปอีกหลายวันหลายคืนหลายปีหลายเดือนหลายภพหลายชาติอยากให้มันม้วนลงมาเดี๋ยวนี้ได้เร็วเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีนี่ก็ทําให้ให้หยุดไม่ได้ในการอดอาหารแม้จะเป็นส่วนละเอียดของจิตของธรรมก็ตามก็ยิ่งเป็นเครื่องหนุนกันช่วยกันให้ดวดเร็วขึ้นนั่นแหละที่ว่าเป็นทุกข์ทุกข์ก็ตามทุกข์อันนี้โลกก็เคยทุกข์ใครก็เคยทุกข์แต่สุขที่เราปรากฏอยู่ภายในหัวใจของเรานั่นสิใครๆจะปรากฏถ้าไม่ได้ฝึกได้ทรมานโดยวิธีการที่ถูกต้องแล้วไม่เจอไม่พบนี่สาคัญมาก อันนี้มีน้ำหนักมากกว่ามันก็จําเป็นจะต้องจําเป็นต้องทนต้องทากันไปต้องอดกันไปอืชู้กันไปอย่างนั้นเพราะสู้เพื่อกิเลสข่ากิเลสเนี่ยนี่แหละอุบาวิธีการฝึกท ร, รมานตนเองให้พินิจพิจารณาอย่าสักแต่ว่าทําอย่ากลัวความลําบากจะทําอะไรนี่กิเลสมันมันจะมัดมือมัดมือนะไม่ให้จับถ้าจะจับไม้มาตีมันมันก็ไม่ให้จับจะก้าขาไป ไปเหยียบมันมันก็ไม่ให้เหยียบอะไรอทุกสิ่งถ้าเคลื่อนไหวไปเพิ่มเพื่อทําลายมันแล้วมันมัดไม่หมดนี่ที่สาคัญพวกเราไม่รู้ไม่รู้เมื่อยังอยู่ในขั้นที่ไม่รู้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้นคนเราเนี่ยถึงว่ามันมืดขนาดไหนนิเรดปิดหูปิดตาปิดใจของเราทั้งทั้งใจนี้เป็นใจที่รู้แต่ทีใจรู้กลุ่มมายาของกิเลสมันไม่รู้มันปิดเอาไว้ปิดเอาไว้นั่นสิมันสาคัญที่ตรงนี้นี้เราก็เป็นผู้ปฏิบัติ แล้ปฏิบัติมากี่ปีกี่เดือนถ้าลงว่าความสงบในใจไม่มีเลยนี่มันหมดท่านะเรานี่มันมันเริ่มหมดราคามานานเท่าไหร่แล้วเริ่มไม่มีค่ามาเท่าไหรแล้วให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเพื่อคุณค่าของทําเหล่านี้จะได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วเราจะมีคุณค่าไปตามกันให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของอย่าอยู่เฉยๆนะการปฏิบัติสักแต่ว่าเดินจงกรมสักสมานังสมาธิภาวนาประทั่งวันตายมันก็มีแต่ศักสักท่าน่ะ มันไม่ใช่เป็นความจริงอะไรเลยเพอที่จะให้ได้ผลได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหรือการจากความเพียนทั้งตนอันนี้สําคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังลงลงึกๆเพราะการสอนนี้สอนอย่างจริงใจจริงๆไม่ได้สอนเล่นๆสอนด้วยความเมตตาสงสารนําความจริงออกมาสอนวิธีการยังไ ง, งไงไม่สงสัยในการสอนเพราะได้เคยผ่านมาแล้วเหล่านี้อุบายที่จะพิพแพงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงหลายสันพันคมก็คือเรื่องของปัญญา นี่ก็ได้ใช้ซะจนหมดพุงแล้วไม่มีอะไรเหลือทุกวันนี้มีใครจะมาถามว่าปัญญายังเหลืออยู่ในพุงมาใหม่ไม่มีเหลือเราบอกบอกได้เลยเมื่มันไปไหนหมดฟาดกับกิเลสหมดน่ะไม่มีอะไรที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ไว้เลยกับคําว่ากับกิเลสนี้แล้วหมดจริงๆกําลังวังชาทุกด้านทั้งทางร่างกายทั้งทางด้านจิตใจกําลังวังชาของสติปัญญาม้วนกันลงมาหมดถึงขนาดนั้นสู้กับกิเลสมันเป็นของเล่นๆเมื่อไหร่เราจะมาทํำย่อยๆแย่มันเข้ากันได้ไหม กิเลสประเภทไหนกิเลสที่มันไม่ไดถึงขนาดที่จะต้องได้ทุ่มกันขนาดนั้นมันมีกิเลสประเภทไหนถ้าว่ากิเลสประเภทของเราบาบางมันควรจะได้ทรงอัตทรงธรรมตั้งแต่ยังไม่บําเพ็ญหรือตั้งแต่บวทที่แรกนู่นจนไระทั่งถึงตอนนี้มันน่าจะเลยนี่พานไปแล้วนี่มันได้เรื่องอะไรพิจารณ์ดิก็เพราะกิเลสมันเหนียวมันฉลาดมันแหลมคมมันอ้อยอิง อ, อมากทีเดียวนี่จึง ต, ต้องในใช้ความพินิจพิจารณาเอาอย่างมาก วันหนึ่งวันหนึ่งจะนอนใจให้หาอุบายพิจารณาแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพียงสมาธิความสงบใจก็มาได้แล้วหมดมบวชในศาสนาผ้ากาสาวัตถนี้พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันทุกทุกพระองค์ครองมาแล้วท่างนั้นเป็นผ้าแห่งเครื่องหมายของท่านผู้เดชชนะเลิศโลกมาแล้วมาแล้ ว, ลวทําไมจึงจะมาเป็นผู้พ่ายแพ้สําหรับเราเนี่ยแข่งกับพระพุทธเจ้าและสาวกท้างหลายท่าน มันต้องควนได้เหรือเนี่ยให้ถามตั้งปัญหาถามเจ้าของผ้ากาสวสวพัทเนี่ยเป็นเครื่องหมายของท่านพูดได้ชายชนะอย่างเลิ่โลกมาแล้วเว ล, เวลามาเรานํามาครองเรานํามาห่มผ้าเหลืองเหล่านี้ไปยังไงผ้ากาสวพัทนี้มันเลยไปความขี้เกียจขีค้านให้ขี้เดยดเอาไปต้ม ไ, ไปตุนจับโยนลงในส้วมในฐานตัวหมดได้เหรือตัวของเราเองก็ให้มันเอาขับถ่าย ลงไปแล้วโยนลงไปในฐานเมื่อไหร่แล้วเรายังไม่รู้อยู่เหรอถ้าลงความสงบในหัวใจนี้ยังไม่มีแล้วเท่านั้นนหละมนุษย์นักบวชเราไม่มีอะไรมีคุณค่าไม่มีอะไรเด่นในหัวใจของพระนักปฏิบัติอย่างน้อยให้ได้มีความสงบเย็นใจเป็นเครื่องเด่นอยู่ภายในจิตใจยั่งสบายนะไปอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่ได้มีอุบายแยบขายมากกว่านี้เพียงความสงบก็ทรงตัวได้ทรงตัวได้ไดสบายสบายอยู่ไหนสบายเนี่ย นืยิ่งปัญญาได้กระจายตัวออกไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแล้วก็ยิ่งเปิดกระจ่างแจ้งออกไปกระจ่างแจ้งออกไปเพราะปัญญานี้มันมีสิ้นสุดถ้าเกิไม่ม้วนเสือเสียเมื่ อ, อไหร่แล้วปัญญานี้ยิ่งจะแตกแขนงไปมากมากเมื่อถึงขั้นที่แตกแขนงแล้วแตกเรื่อยๆทีเดียวตั้งแต่ส่วนหยากเข้าถึงส่วนละเอียดละเอียดละเอียดสุด น, น, นี่ก็เรียกว่าปัญญาแล้วทําไงวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่ผ่านมาผ่านมาไม่ได้เรื่องเลยหล่ะ แล้วสุดท้ายมันก็จะอ่อนแอให้จิเด็ดลากไปหมดนะนะหมดทั้งตัวเลยไม่มีการคัดค้านต้านทานกันเลยข้านานเข้าไปนางก็ไปมันชินชาแล้วก็ด้านไปนี่เรากลัวแล้วเกินจิตเล็ดจะเอาให้เปนกระทั่งด้านนะไอ้จิตเด็ดถ้าลงมันได้เอาใครแล้วเอาเถอะไม่เรื่องเวลาในอรรถธรรมทั้งหลายแล้วมันก็ด้านนี่ที่สําคัญมากนะทําเหล่านี้เป็นธรรม ทรงมรรคทรงผลชี้แนวทางเข้าสู่มรรคสู่ผลเข้าสู่ธรรมอันเลิ่อันเลยทั้งนั้นแล้วมันทำไมหัวใจเรานี้มันจึงประลับเอาตั้งแต่สิ่งที่ต่ําช้าเร็วสามเข้ามาบรรจุจะให้เต็มในเพศของพระของเหล่านี้ยมันเป็นยังไงถามเจ้าของสิก็อยู่กับสิ่งว่านี้อยู่มามากขนาดไหนนานขนาดไหนแล้วมันรีบวิเศษวิสูรอะไรดูที่ในหัวใจของเราความคิดความปรุงวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่กิเลสพาคิดกิดเลสพาไปกิเลสลากไป เขนไปได้ความพิเศษอะไรผลที่เกิดมาจากกิเลสลากไปผลเข็นไปนั่นแหละถูไถยไปนั่นได้ผลพิเศษอะไรเราจะรงับความคิดทั้งหลายเหล่านั้นเข้าสู่ความคิดแห่งธรรมมันทํามมันจะ ง, งับไม่ได้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆนี่ก็ไม่ได้คิดค่าแล้วจะประชุมแต่ก็เพราะเป็นห่วงเพื่อนฝูงประการหนึ่งเราก็จะไม่ได้อยู่เมืยระยะนี้จึงต้องถูถ่ายกันลงมา ขอให้ทุกๆองค์ตั้งหน้าตั้งตาพระพุทธปฏิบัติแล้วอยากให้รู้ให้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสังสนนะงส่งสอนไว้นั่นทรงสั่งสอนไม่แบบท่าพูดแบบรูปโรคและแบบท่าทายทีเดียวสัวจจะคือความจริงไม่ท่าทายได้งไงเอาสิถ้าว่าไม่ท่าทายไปทดสอบพิสูจน์สิทุกครั้งอะไรจะสัจจงเป็นยังไงไว่าเป็นธรรมของจริงเ้าพิสูจน์ในทางภาคปฏิบัติน่ะ สมุทัยอริยสัจจังเอาพิสูจน์ทางภาคปฏิบัติตามตถาคตที่เคยพิสูจน์มาแล้วนั่นนิโรธอริยสัจจังก็เหมือนกันดับตับทุกดับด้วยเหตุผลกายไรนั่นก็นมาณค่าอาริยสัจจังนั่นแหละเป็นเครื่องมือดับนั่นน่ะที่เรียกว่าอาริยสัจอริยสัจอริยสัจจังในอย่างคือเป็นของจริงอันประเสริฐอันประเสริฐเวาลามันไม่ได้ถึงของจริงอันนั้นมีจะมีแต่ความจําทุกข์ก็เลยกลัวเสียเนี่ย กลัวเป็นเรื่องลําบากลาบนไปเสียไม่อยากเจอทุกข์แต่ไม่อยากแอบไหว้ให้หลีกเลี่ยงหนีความพ้นทุกข์ไปมันก็มีแต่กลัวเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาถึงสาเหตุซึ่งเท่ากับการจะหลีกเลี่ยงหรืตัดความทุกข์ทั้งหลายออกด้วยต่างอันต่างเป็นของจริงด้วยกันเรียกว่าอาริยสัจจังอริยสัจจังสองจริงทั้งสี่ประการนี่แหลเป็นเครื่องขัดเกาวจิตใจให้ได้ดุดพ้นไปจากของทุกข์ทั้งหลาย ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่นะท่านให้พิสูจน์เถอะพิสูจน์ให้มันเห็นถ้าลงประจกักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่ต้องถามแล้วพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์เป็นความจริงเหมือนกันหมดกับหัวใจของเราที่เป็นเวลานี้น่ะนี่แหละเครื่องยืนยันยิงว่าท้าทายอายยริยสัจหลักของศาสนาพุทธทั้งเรานี่คืออยย ร, ริยสัจกันก็คือนี่แหละที่จะทําจิตให้หลุดพ้นได้เพราะกันเนี่ยสําคัญมากนะ เครื่องขับโรงงานอันนี้แหละะจึงเป็นเครื่องยืนยันได้มีความเหลีวไหลไปเลีวไหลากายใครอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ความเลีวไหลเหล้วไหลจะทําังไงศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อไม่ไม่มีตัวไม่รู้ตัวไม่เห็นตัวเห็นแต่ได้ยินแต่ชื่อ กิเลสเต็มหัวใจก็ได้ยนินมีแต่ชื่อไปเต็มในตำราไปมั่วในตำราหมดแเราไม่สนใจดูกิเลสเราไม่สนใจแก้กิเลสเรามากักคลนิพพานก็โยนให้ตู้ให้หิมหมดโยนเข้าในตู้ใน ห, หิมหมดเราก็ไม่สนใจในะมกักผลนิพพานก็อยู่แบบอะไรพักแฟงแตงโมหรือกิ้งไปกิ้งมาอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะเราไม่ใช่พักแฟงแตงโมคนทั้งคนมีความรู้อยู่ในร่างนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นฟักแฟงแตงโมไงแต่ทําตัวให้เป็นฟักแฟนแตงโม อย่างนั้นเป็นยังไงพีนาสิการปฏิบัติภาวนาก็ต้องให้มีมีหนักมีเบาเหมือนเขาเดินทางที่สูงก็ก้าวที่ต่ำก็ก้าวที่ควรเร่งก็เร่งที่ควรช้าก็ช้านะที่ควรเบ า, าก็เบาควรหนักต้องหนักเรื่องของความเพียรเป็นอย่างนั้นนะอันนี้อะไรอะไรก็ลอยลอยลอยลอยไปทั้งหมดมีแต่ลอยๆอยไปเร่ไมเรื่องอะไร ถึงขาวที่ควรจะหนักไม่หนักถึงควรจะจะเน้นไม่เน้นถึงควรจะเด็ดไม่เด็ดเนี่ยนี่จะให้กี่เด็ดเด็ดเอาเด็ดเอานี่ที่มันทุเรศนะแต่เพิจารณาถึงเรื่องความแหวกว่าในเรื่องความทุกข์ทั้งหลายมานี่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มาขนาดไหนนี่ที่ดูสิแล้วยังจะ มีความกล้าหาญชานชายัยที่จะแบกกองทุกข์เพราะความเกิดแก่เกิดตายเพราะวิบากกรรมต่างๆด้วยความรุ่มหลวงของตนนี่ไปมากขนาดไหนเราไม่อุทธ ร, ร้อนใจบ้างเลยนี่มันเกินไปนะนักบวชเราผู้ที่มาสอนคือผู้รู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำความจริงล้ น, ลวนล้วนมาสอนเลยยังให้เด็กมันล่องเพล่งกล่ำให้หลับทั้งเป็นหลับทั้งลืมตายานี้มันเกินไปนะ ไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยในธรรมของมู้เจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ถ้าตูนไปตามที่จริง ท, ท, ที่หลอกรวงตลอดเวลามันก็จะต้องจมไปอย่างนี้ตลอดหาเงินตัวเงิ่อนตายมาได้หละพวกแกวนี่แหละจะเป็นไครจิตของเรานี่แหละถ้าไม่จริงไม่จังแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่สงสัยถ้าจริงจังดังที่กล่าวนั้นษาความสงบก็มีนั่นได้แล้วเป็นผลอันหนึ่งจากกภาคปฏิบัติของเราเนี่ย ปัญญาก็เริ่มแล้วตามอุบายที่แนะนั่นแ ล, แล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้าไปเรื่อยๆแบบนั้นนี่ก็เป็นอันว่าได้เห็นทุกข์ไปในขณะเดียวกันกับเห็นธรรมเรื<ฮ>่อยๆเรืยๆการก้าวก็เข้มงวดกวดขันรีบเร่งอะที่นี่หนักมือเข้าไปล่ะทุกอย่างหนักเข้าไปหนักเข้าไปเพื่อการก้าวเดินเ<ฮ>พื่อการก้าวเดินก็เพื่อความพ้นทุกข<ฮ>์ไปด้วยกันไปด้วยกัน เนี่ยที่นี่เรื่องวัตตะทั้งหลายที่จะยืดยาแสญยากระตามจะประมวลเข้ามาสู่จิตดวงนี้จิตดวงนี้แต่ก่อนหาประมาณไม่ได้เวลานี้มีเขตมีแดนแล้วโหดเข้ามาย่นเข้ามาคิดเด็ดตัวใดที่เป็นพบเป็นชาติจะพาให้เป็นพบเป็นชาติอันใดอันใดยืดยาวขนาดไหนสูงต่ำประการใดรู้อยู่ภายในจิตภายในจิตตัดเข้ามาตัดเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอํานาจของปัญญานั่นให้ก็รู้ชัดๆเข้ามาสู่ใจสู่ใจ พราพราะร า, ะากฐานมันอยู่ที่ใจจนกรทั่งเอาให้ขาดตะบ้านตะหมดแล้วไม่มีอะไรเงื่อนต่อกันฮะแต่ว่าน้ําเอามาหาสมุทรกับมาหาสมุทรกว้างแสนกว้างที่นี่ไม่ใช่มาหาสมุทรคือเกาะนั่นเกาะนี้ไม่ใช่มาหาสมุทรเป็นเกาะต่างอันหนึ่งต่างหากจากมาหาสมุทรจากน้ํำทั้งหลายนี่วัดตะบนมันจะกว้างแคบขนาดไหนก็าตามจิดตรงนี้ไม่ใช่วัดตะนเป็นนิวัตตะแหน่นรู้แล้วอ ย, อยู่ในท่ามกลางแห่งวัดตะบนทั้งหลาย แต่ไม่ใช่ไม่ใช่วัตโตนเป็นวิวัตะวิวตัตตจิตเนี่นรู้อย่างนั้นนี่ผู้ปฏิบัติทรมู้เจ้าเป็นธรรมที่รู้แต่แท้เมื่อปรากฏเต็มหัวใจทำไมจะไม่รู้ประกาศป้างขึ้นมาด้วยสันติทิโกนั่นแห ล, ละการแสดงทำพอจ น, น, นพูดไปมันก็เหนื่อยวันนี้มาพูดเดี๋ก็หมู่พ่นเฉย